ลำดับตรมนี้ถือว่าเป็นชั่วโมงธรรมวิจัยนะส่วนจะวิจัยแบบไหนก็จะได้ศึกษากันไปนตามลำดับผู้ชายแล้วนั่งแถวหน้านี่ครบไหมไม่ครบก็แถวที่สองต่อการที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งสองส่วนคือภาคปริยัติด้วยภาคปฏิบัติด้วย ให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งสองด้านทั้งเส้นทางและการเดินทางแล้วก็จะทําให้เราไม่หลงทางนั่นในช่วงการที่เราฟังแล้วก็ปฏิบัติว่าเราว่าปฏิบัติในสิ่งที่เราฟังแล้วก็เราพูดในสิ่งที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ถือว่าเป็นการเสียเวลา พราะเราได้ปฏิบัติในสิ่งที่เร า, าในสิ่งที่ได้พูดในสิ่งที่เราปฏิบัติและได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราพูดมันก็เป็นเรื่องที่ปรับให้ตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องการอ่านสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นประมัดแล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นภาษาสมุตินะ อันนั้นถือว่าเราเป็นคนมีมเมร็ดแล้วเหมือนกับผลไม้ฟักแลงแต่งเต้าเวลามันแก่แล้วนี่นอกจากให้เนื้อแล้วมันก็ยังให้พืชพัน์ต่อไปได้อีกบุคคลผู้เข้าถึงธรรมแล้วนอกจากได้เสวยความสุขจากการปฏิบททัติธรรมก็ยังสามารถถ่ายทอด สติปัญญาที่มีอยู่ให้บุคคลอื่นได้รู้ต่อไปได้อีกเหมือนผลไม้ที่สืบพืชพันธุ์ด้วยเมล็ดก็ฉะนั้นนั่นนั้นเราปฏิบัตินี้เราจึงต้องนั่งปฏิบัติเพื่อศึกษาสภาวะนั้นด้วยใจด้วยเราสามารถอ่านสภาวะนั้นออกด้วย สภาวะที่เราอ่านออกแล้วมันก็จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์พืชแห่งปัญญาและเมล็ดพันธุ์พืชแห่งปัญญานี้ก็เรามีโอกาสได้แบ่งปันให้คนอื่นคนอื่นก็สามารถนำไปเพาะบ่มเพาะปฏิบัติคือบ่มเพาะตนเองตามสภาวะที่ได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตะมรญญาภัยนั้นเอง เราจรึงได้ประโยชน์ทั้งสองด้านจากสภาวะที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นความสงบสุขเกิดสมอนเนื้อที่เราได้รับประทานและเราสามารถเข้าใจสภาวะนั้นสื่อความหมายออกมาเป็นคาพูดทางสมมติเป็นสริปัญญาคนอื่นสามารถนำไปบ่มเพาะปฏิบัติตามได้ คนอื่นก็ได้ผลต่อไปดังนั้นนับได้ว่าการศึกษาและการปฏิบัติได้ประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยดังนั้นในช่วงที่เราฟังก็ปฏิบัติด้วยทําความเข้าใจด้วย น, นวันนี้อาจารย์อภัยอาจารย์มหาอาภัยประพังกรโรูซึ่งเป็นได้ไปทําการแทนเจ้าว่าแทนสมาอยู่ที่ วัดรัชเวงวัดป่าพุทธยาธิรารามซึ่งสร้างมาเกือบ2ี่สปีแล้วท่านไปอยู่ที่นั่นห7เจดปีแล้วก<ม>็ทำหน้าที่หลายหลายอยา่างในขณะเดียวกันท่านก็ทำหน้าที่ในการอบรมภาคปฏิบัติแบบนี้ทุกทุกอาทิตย์ที่วัดป่าพุทธยานันรารามซึ่งที่นั่นจะมีความยากง่ายอย่างไรในการเผยแพร่พระศาสนา ทั้งมิติที่เป็นวัฒนธรรมและมิติที่เป็นพุทธธรรมอย่างไรเนะ่ท่านจะมาเล่าให้เราฟังแล้วก็มีอะไรในช่วงท้ายเราสามารถที่จะทายถามข้อสงสัยอจะเป็นข้ออัดข้อธรรมหรือเรื่องทั่วไปก็ท่านสามารถที่จะให้ความกระจ่างได้แล้วก็ตั้งใจก็ขอรัตนัยมุนจะใช้ข้างล่างหรือข้างบนดีข้างล่างนี่ก็ได้นะก็ขอรนบน้อม พระรัตนตรัยแล้วก็องค์เด็จพระสมมาสัพพุทธเจ้ า, าก็กราบถวายความครบพระดิพุลุพ่อพระมาหาดิเรกพุทธยา น, นโทแล้วก็ขอาการคณณสงฆ์ขอจเจริญพรในธรรมกับนักปฏิบัติธรรมผู้ที่กำลังสแสวงหาและได้แนวทางออกจากทุกข์ ทุกท่านทุกค น, กคนอน๋อเนาะก็นั่งฟังตามสบายเอามือลงนะ่ะเอามือลงฟังแบบสบายสบายนะเหมือนปฏิบัติอะปฏิบัติแบบสบายสบายอ่านะอย่าปฏิบัติเพื่ออยากได้หลวงพ่ะท่านบอกเพราะธรรมะมันไม่เกียวด้วยความอยากนะ่ะไม่ได้เจียวด้วยความอยากความหิวทำไม่เอาถึงจะได้ แต่ไม่ทำก็ไม่ได้ธรรมะฉะนั้นช่วงเวลาบ่ายหลังจากที่พวกเรานั่งปฏิบัติทำกันมาสามชั่วโมงกว่ากว่านะบ่ายสองชั่วโมงครึ่งนะก็ช่วงทานข้าวใหม่ๆเนี่ยนะเหมาะแก่การเดินจงกรมการปฏิบัติหลังจากนั้นก็หลายคน ปกติคนเนี่ยสมาธิของคนจริงๆแล้วเนี่ยประมาณตักสามชั่วโมงก็เริ่มเบื่อทำอย่างเดียวจำเจแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเบื่อในการที่จะเปลี่ยนแปลงอาจจะไปเดินไปลำพังเดินนั่งที่ตรงเนี้ยไม่พอนะก็อาจจะมุบไปข้างนอกให้รู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะอันนี้คือฉะนั้นเวลาเรียนเนี่ยเขาถึงบอกให้เป็นหน่วยกิจ นะสองหน่วยกิจสามหน่วยกิจสองหน่วยกิจก็ ส, สองคาบสามหน่วยกิจก็สามคาบอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันขนาดสองสามหน่วยกิจขนาดเรียนก็ยังมีช่วงเบรกนะถา้างนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ฟุ้งซ่านเช่นเดียวกันนะขออภัยพอดีเพิ่งเดินทางนะไปตามร่องรอยของพระพุทธเจ้า ไปอินเดียนะตั้งแต่วันที่ห้ามกราคมคือห้ากุมภาพันธ์ขอไฟนะไปแล้วก็ไปติดฝุ่นที่อินเดียก็เลยเป็นหวัดนะพึ่งหายเมื่อวันสองวันนี่แหละเขายังไม่ดีเท่าไหร่งคืนก็ยังไออยู่นะถ้ามีไอปนคำพูดปนธรรมะบางก็ขอไฟนะขอจิบน้ำร้อนนิดนึงก็ช่วงบ่ายหลวงพ่อท่านก็ให้นะมีการวิจัยทำ ม, มีการสนทนารม นะแล้วก็พูดในสิ่งที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ละพังจะยกแม่น้ำตั้งห้าปุปมาด้วยธรรมาที่ฐานบุคลาที่ฐานนะก็ได้อยู่เอาพอดีพองามก็เลยนึกขอยกตัวอย่างนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนไทยไปสแสวงบุญไปสแสวงโชคขอภัยไปตามรอยของพระเจ้า ที่ประเทศอินเดียในเยอะ เ, เรียกว่าเอาเงินไปช่วยอินเดียในเยอะเลยทีเดียวนะตามที่ดูเนี่ยไม่เคยขาดรถบัสวิ่งผ่านคันไหนก็คนไทยทั้งนั้นหลายทัว่วอันนี้ก็อนุโมทนาทีนี้ในฐานะที่ตมาไม่เคยไปอบวชมาก็อ่าหลายปีก็ยังไม่เคยไปเวลาพูดถึงอินเดียพูดถึงพระพุทธเจ้า เราก็สอนพุทธประวัติมาก็เยอะแปรธรรมบทตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นก็แปรมาพอสมควรแต่ไม่เคยเห็นที่สถานที่จริงนะก็เลยอย่างน้อยในฐานะที่เราจะต้องอยู่และจะต้องเผยแพนะ่ถ้าเราจะพูดเรื่องไฟเย็นไปร้อนแต่เราไม่เคยจับมันก็อะไรอยูนะ่ก็เลยไปลองดูนะไปอยู่ตั้งแต่วันที่ห้ากลุ่มพาวันจนถึงวันที่สิบแปด กุมภาพันธ์ก็เกือบยี่สิบวันนะก็เลยกลับมาเมื่อวานนี้ถึงตอนแปดโมเช้านะตอนแรกก็ว่าจะมาช่วยหลวงพ่อเลยตั้งแต่ไปยังไม่ได้ซักผ้าเลยตั้งแต่วันแรกนะพึ่งมาซักเมื่อวานนี้กว่าจะแห้งก็คั่มกามือก็เลยพึ่งมาทีนี้พูดถึงการไปนี่หนึ่งทำไมต้องไป รอยแล้วรอยของพระเจ้าอยู่ที่ไหนอันนี้เราน่าศึกษาเพราะตามที่ไปแล้วเนี่ยไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นสีมะโพนหกเจ็ดวันธรรมาเข้าไปนั่งก็พยายามที่จะไปนั่งให้ได้สมาธิพยายามที่จะไปนั่งให้ได้สติพยายามที่จะไประลึกนึกถึงธรรมะของพระเจ้าแต่ก็ได้บรรยากาศอยู่เห็นอีกมิติหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าควรเท่าไหร่สาหรับตัวธรรมาเองนะโยมอาจจะ หลายคนที่นี่เชื่อว่าไปแล้วนะก็เลยามา น, นึกที่กิงสถานที่ตรงนั้นเน่ยเสียงมันดังมากมีทุกภาษาคัมเมนพมา่าเนปาลอินเดียอินเดียจะน้อยบังกลรารเทศเสียงสวดใครสวดมันไม่ฟังกันนะแล้วก็พระส่วนหนึ่งก็บรรยายทำต่างคนต่างเปิดไม่ใส่กันนะเสียงโชงเชงโชงเชง นะแล้วก็มองไปบนต้นโพลมมาเฉยๆก็มองรอใบโพจะร่วงนะจะได้รุดวิ่งเก็บใบโพกันนะีอันนี้ก็ดีหลอกศรัทธานะการว่าศรัทธาในพุทธศาสน์ในพระพุทธเจ้าแม้แต่ร่องรอยโพงก็ยังนะถ้าเขาไม่เอาอะไรจะรอมใบตมาว่าคงจะนะเก็ตโพคงจะหมดละมาว่าเนาะนะโชคดีหน่อยเขาฉลาดนะอินเดียเขาก็เอาอะรู้วเอาอะไรกําแพงเอาพลาติก เอาแก้วไปรอมไว้อนะได้มองไป เ, ยเฉยๆนะอันนี้คือสิ่งที่เขาทำไว้แล้วก็นอกจากนั้นก็บางประเทศก็ฉลาดนะบางประเทศก็ฉลาดทําไมถึงบอกฉลาดก็ถ้าปล่อยให้เอาใครเอามันเน่ะมีหลวงพอ่อเออมีโยมคนหนึ่งตามหลังมานะเขาไม่ให้ผ่านเข้ามาทําไมต้องไม่ผ่านแกไปเอาหินมาจากไหนไม่รู้สองสามก้อนเขาไม่เอา สมบัติเขาออกนอกประเทศตมาบอกเรามาทำไมลนะ่นะแล้วก็มีประเทศภูฐานใครอยากได้ดินสีสังเว์ต้องไปซื้อที่นั่นโนะยมก็ไปซื้อเอคนละห่อละหอ่อห่อละห้าร้อยบาทนั่งอยู่นี่มีใครได้บ้างแล้วเนะี่ยถ้าไม่ได้จะแจก <c oughs> <c oughs> เอาว่างั้นโยมรนะับมุกรับมุกหรือเปล่านะก็คนไทยก็ไป เอามาเอามาเป็นที่ระลึกก็ดีอยู่นะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นที่ระลึกดีที่สุดถ้าจะลึกธาตุดินก็เนี่ยเรากาลังระลึกอยู่เนี่ยนะธาตุดินน้ําลมไฟนะส่วนดินพวกนั้นก็เอาไว้นั้นแหละนะดินใครดินมันดินเรามีค่ากว่านะทีนี้นั่งไปนั่งมาเนะี่ยลึกถึงว่ารอยพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะยมเคยเห็นรอยพระเจ้าไหม ทำว่าท ำ, ทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าระลึกถ้านึกถึงพระองค์ให้นึกถึงสังเวชนิยสถานทั้งสี่นะคำว่านึกถึงสังเวชนิยสถานทั้งสี่ยอาจจะไม่ใช่สถานที่ก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยท่านตรัสรู้เพราะสังเวชนิยธรรมนะยัเคยได้ยินนะ ส, สังเวชนิยธรรม มันคนปฏิบัติธรรมอัญโยมปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ตามน่ะตราบใดที่ไม่ได้สังเวงทิยธรรมเนี่ยคนนั้นจะไม่ได้ปัญญาจะไม่ถึงบางอ้อนะปฏิบัติไปได้สติสมาธิปัญญาบางคนเได้สภาวะธรรมมันว่าได้สติในหลายครั้งแต่ทําไมไม่ได้ไม่ไ ม, ไม่รู้รูปนามเพราะว่าไม่ได้สังเวงทิยธรรมนะคำว่าสังเวงทิยธรรมเนี่ยก็หมายสังเวทิยสถานสถานที่เราควรที่จะระลึก ไปถึงแล้วเนี่ยหนึ่งสถานที่ถ้าเป็นอินเดียก็มีที่ประสูตรใช่ไมที่ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาแล้วก็ที่ปรินิพานใช่หรือเปล่าที่กินก็มีหลายที่มากอะจนจำไม่ได้ละไปหลายที่แต่ว่าที่สี่อย่างนี่คือที่เราจะต้องตามไปแล้วก็ไปนั่งไประลึกนะฉะนั้นสถานที่สี่อย่างนี่อยู่ที่ไหน อยู่กับเรามีไหม อ, อยู่กับเราก็มอว่าทุกอย่างแล้วล่ะพระเจ้าก็เริึกถึงเนี่ยเริ่ดถึงเห็นคนแก่ใช่ไหมเห็นเทวปรตูทั้งสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายหเห็นอะไรอีก เ, อเริ่มเริ่มมีความคิดแตกต่างแล้ว เ, เห็นคนแก่คนเจ็บ คนตายแล้วก็าสาธุโขปรประชาเห็นคนบวชคำว่าบวชเนี่ยมันมีหลายคำนะขอขออาตมาถามหลายคนที่ไปสแสวงบุญด้วยกันก็ไม่มีใครตอบได้อ่าอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าบวชเี่ยทำไมโยมเวลาเวลาพระเรียกโยมเนะี่ยต้องบอกว่าโยมนั้นโยมนี้เรามาเคยถามทำไมทำไมฉุกคิดยางไง นะไม่ได้ยินไมไ่ฟังมาจากไหนเรเลยมาวิเคราะห์ตามลากศัพท์ทำไมทาไมเรียกว่าโยมแล้วเวลายอมมาอย่างเงี้ยมันไม่เรียกโยมนั่นถ้าเป็นภาษาทางภาคคนลาวคนอีสานก็เรียกว่าพ่อออกไม่ออกนะเอาเราวิจัยตัวนี้ที่หนึ่งอันนี้เป็นวิจัยเหมือนกันนะแล้วอันที่สองแล้วเรียกนะโยมกับพ่อออกไม่ออกต่างกันอย่างไรแล้วก็บรรพชากับปู่สมบทนะ ฉะนั้นผู้ที่บรรพชากับบูสมบทจะต่างกันยังไงเอาสี่คำนี้ก่อนนะสักนิดหนึ่งนะอันที่หนึ่งคือโยมเนี่ยจะมาว่าทำไมถึงเรียกโยมโอมาจากคาว่ายามะกะนะแปลว่าคู่อยู่เป็นคู่คู่คาราวาสเนี่ยโยมเยต้องอยู่กันเป็นคู่คู่จะมีไม่มีก็แล้วแต่ละ่ะนะคือสแสวงหาคู่อาจจะได้แล้วหรือไม่ได้อาจจะทิ้งแล้วหรืออะไรก็แต่ นี่คือคําว่าโยมแปลว่าผู้อยู่เป็นคู่คู่แล้วทําไมถึงเรียกทีนี้เวลาคนทางพระอิสานคุณเราเขาเรียกเวลาคนมาวัดจะเรียกว่าผู้ออกไม่ออกหรือว่าอย่างเช่นแต่ว่าภาษาไทยจะเรียกว่าอย่างเช่นโยมมาเนี่ยจะเรียกว่าเนคขมะจารีเนคขมะจารีนี่ใช่ไหมเนคขมะแปลว่าผู้ผู้ออกว่แล้ว ฉะนั้นคนอีสานคนลาวเขาถึงไม่แปลเนี่ยค่ะม่เขาพูดตรงๆเลยพ่อออกไม่ออกก็หมายหมายความว่าออกจากกรรมคุณออกจากความสุขที่บ้านออกจากความสะดวกสบายเพื่อมาแสวงหาธรรมะอย่างเงี้ยออกมาหนึ่งวันสองวันสาวันก็ถือว่าพ่อออกไม่ออกมั้งแค่เดินออกจากบ้านใส่ชุดขาวมาวัดก็เรียกพ่อออกไม่ออกละวนะไม่เรียกโยมเรียกโยมคือคนที่อยู่ไปทําอยู่บ้านอยู่ช่องทํำตามสวนทําไรทํานาชาวบ้านธรรมดาอันนี้นะสองข้อนะ ยมเคย้ยินหรือเปล่าน่ยถ้ามาพูดผิดก็แย้งได้นะภาษาบาลีเขาว่าเนคขมะแปลว่าออกไปแล้วผู้ออกไปฉะนั้นมีความหมายคือไม่ใช่ออกจากบ้านไปเที่ยวไปอันนั้นไม่ใช่นะไม่ได้ออกไปเที่ยวไปสนุกสนานไปปาร์ตี้ฮฮาแต่ว่าออกไปเพื่อแสวงหาโมกะธรรมเขาเรียกว่าเนคขมะจารีหรือว่าพ่อออกไม่ออกคนทางนู้นเขาเรียกสั้นว่าพอออกไม่ออกออออกก็ออกเนี่ยออกไปแล้วออกจากบ้านจากช่องไปแล้วไปไหนล่ะ ถือกดถืออ่าเครื่องใช้ส่วนตัวไปหาปะบะับัติธรรำบ้านนั้นบ้านนี้ไปเรื่อยๆนะทีนี้คําว่าปปจจชาปปจจชาเขาใช้ใช้กับใครกับปปจจุบชาเหมือพระพุทธเจ้าเห็นนักบวชเนี่ยท่านอ่าเทวทูตองค์ที่สี่เนี่ยท่านใช้คําว่าสาทุโขปัจจุชาเนี่ยคือเห็นคนแก่ก็เบื่อแล้วละ่ะโอ้เราจะต้องแก่ครอบครัวเราต้องแก่พ่อแม่เราต้องแก่ เห็นคนเก็บก็ยิ่งเราจะต้องเก็บคือ โ, ปโอปันได้โกตลอดอ่ะทำมสังเวชมันเกิด ข, ขึ้นครั้งแรกแล้วเกิดขึ้นว่าเราจะต้องแก่โยมถ้าใครก็ตามถ้าเราจะต้องแก่เนี่ะคนจะไม่ประมาทนะมันก็บอกว่าอ่าให้เห็นตัวแก่จะเห็นแก่ตัวนะถ้าเห็นแก่ตัวคนนั้นประมาทถ้าเห็นตัวแก่แล้วไม่ประมาทฉะนั้นพอเห็นตัวเองแก่แก่อย่างไงล่ะมันจะเริ่มเปลี่ยนโอ้ สองกระจกวันนี้ทําไมผมเรามันขาวหลายเส้นขึ้นแล้วเกินเริ่มอ่าขาวไปแล้วอะไรต่างๆฟันก็เริ่มเก็บเริ่มปวดเริ่มหลุดเริ่มอะไรต่างๆอินทรีย์ทั้งหลายมันเริ่มง่อมหมดอ่ะอินทรีย์หมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนะี่ยตาก็ฝ่า ฟ, า, ฟางหูจก็ไม่คัดดีนชัดะจมูกก็ทํางานไม่สมบูรณ์นอินทรีย์ทั้งหลายเริ่มแก่งงอมอินทรีย์แก่งงอมแล้วก็สังขารก็แก่งงอมไปด้วยฉะนั้นเราเห็นตัวเนี้ยก็เริ่มเบื่อหน่าย ถ้าเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยโอ้เราจะอยู่อย่างนี้แล้วบางคนเขาเห็นอย่างนี้ยเขาเริ่มออกจากบ้านนะจะต้องสแสวงหาธรรมหาสิ่งที่สูงสุดหาสิ่งที่จะพ้นทุกข์นะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิดเกิดมาแก่มาเก็บมาตายอีกนะอันนี้คือสังเวชนิฐานเหมือนกันสถานที่จะต้องสังเวชคือที่แก่ที่เก็บนะคือไม่ต้องบรรยายว่าคําว่าเก็บเป็นยังไงโดยเพราะโดยเพราะผู้หญิงเนี่ยจะเก็บปวดมากกว่าผู้ชาย นะไม่ว่าหลายหลายอย่างเก็บปวดนะผู้ชายไม่เท่าไหร่อ่ะผู้ชายอย่างมากก็เก็บใจถูกเกียร์ย่ำใช่ไหมคนละอย่างนั่นคเก็บกายนะเอาเก็บใจ เ, เก็บกายอันนี้พูดถึงเก็บกายผู้หญิงจะเก็บมากกว่านะทีนี้คําว่าบรรพชาเนี่ย เ, เห็นคนตายขอพายอีกอันหนึ่งสถานที่สังเวชที่สามคือเห็นคนตายเห็นสถานที่ตายมันเราไปเราไปกราบสักการะ นะที่ประวิทยาลัยของพระเจ้านยอมไปยมไปอธฐานอะไรส่วนมากตามที่ธรมานั่งฟังเห็นนะมีแต่ไอ้ฐานเพื่อให้ตนเองนั้นไม่ตายให้อปัญหานั้นตายไปจากตนเองให้ตัวเองนั้นจเจริญรุ่งเรืองล่ารวยไปงั้นหมโออะนะแต่บางแต่ส่วนบางคนก็ไปลื่นถึงก็มีอยู่นะฉะนั้นไปไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อคิดต้องคิดให้ถูกต้องว่าโอ้แม้แต่พระเจ้า เป็นพระบ ร, บรมศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เลิอที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกก็ยังต้องปรลิพนิพานก็ยังต้องทิ้งสังขารก็จังตายแล้วเราเป็นใครจะไม่ตายะแล้วเราจะต้องไปกลัวความตายทําไมคือที่จริงแล้วความตายคนนไม่กลัวตายเรามาพูดหลายครั้งว่าคนเราไม่กลัวตายกลัวอะไรรู้ไหมฮะ เห็ไไหมเริ่มได้ดวงตายเห็นทาแล้วนะเห็นแล้วทาเลยน ะ, ะเห็นแล้วไม่ทำก็ไม่ก่อท่านะอะไรไม่ดีไม่งามคือคนเราไม่กลัวตา ย, ยแต่กลัวความพัดภาคพัดภาคจากสมบัติที่หาไว้มากมายพัดภาคจากคนรักรักลูกรักหลานรักสามีภรรยาพัดภาคจากสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วกลัวพัดภาคจากสิ่งที่ตัวเองน่ะมีตัวเองเป็นจากยศถามบรรดาศัก์จากอะไรพวกเนี้ย นะก็เลยไม่อยากตายทำยังไงทีนี้ถ้ามีมากก็มีถ้ามีมากเนี่ยก็ยิ่งกลัวความตายมากก็หาทางแก่มากอย่างเช่นคนรวยเป็นมะเร็งใช่ไหมโอ้มีเท่าไหร่ก็พยายามหามารักษาตัวเองหมดอย่างเงี้ยยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นพระราชายกตัวอย่างไปครั้งพุทธกาลนะเกิดแค่ฝันร้ายเฉยเนี่ยแค่เกิดนิมิตร้ายว่าจะต้องตายเนี่ยอนิมิตร้ายว่าตัวเองฝันสุบินไม่ดี ทำยังไงไปถามโปรโรหิตพวกพราหมณ์มันเขาบอกคุณท่านนถึงความวิบัติแล้วจะต้องแก้ต้องต้องแก้กรรมแก้เคราะสะเดะาะเคราะต่อชะตาเหมือนทุกวันเนี้นั้นคือพราหมณ์เขาทากันไปถามพราหมณ์ทํำไมต้องให้แก้เพราะเขาได้กินกับสิ่งที่เราแก่ได้กินจากศีลนบนุญได้กินจากเครื่องบูชายัญนั่นแหละถ้าเป็นพระราชาแก้ยังไงฆ่าสัตว์ร้อยตัวฆ่ามา้าฆ่าสัตว์อย่างละร้อยฆ่ามนุษย์เด็กชายร้อยเด็กหญิงร้อยเหมือนพระเจ้า พิมพษษิสารอย่างเงี้ยนะต้องฆ่าอย่างละร้อยถึงแก่แก่กรรมได้อย่างเงี้ยแต่พอไปหาปริชารขาบอกว่ า, า, า, วาตัวปเจ้าเป็นเสด็จิโกศลอ่าทรงสบินสิบหกข้อเนะี่ยพอไปหาพริชาเขาบอกว่าอย่างรองภัยไม่เกิดในขณะนี้เราจะเกิดในอนาคตผมไม่ต้องกลัวหรอกนะอันนี้ยกอก็เห็นว่าพวกกลัวความตายจึงทําทุกวิถีทางนะยิ่งมีอํานาจมากก็ยิ่งยิ่งทําได้หลายอย่างนะ ฉะนั้นพอเห็นความตายแล้วเนี่ยนี่คือสังเวช ท, ที่สามถ้าเราเห็นโอ้เราจะต้องตายไม่รูพระพุทธเจ้าขนาดพระองค์เป็นาศาสดาของโลกทั้งที่ปรารถนาจะอยู่ไม่รู้ใครไม่รู้ใครไปเขียนไว้อัตมาไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะมีที่บอกว่ า, ามันมีสองอย่างที่จะต้องค่อยช่วยอัตมาวิเคราะห์จริงหรือเปล่าเอาไว้เขาตอนตอนสุดท้ายอันที่หนึ่งคือ พระพุทธเจ้าในโลกเนี้ยนะมีถึงห้าพราะองค์จริงแล้วจริงหรือที่ผ่านมานะแล้วอันที่สองคือพระพุทธเจ้าไปจำภรษาที่เดาวดึงจริงหรืออันนี้เรามาวิเคราะห์กั น, นทีนี้อันที่สามอันที่สี่อันที่สามคือความตายนะขอพายพูดที่หนึ่งที่บอกว่าคนไม่กลัวความตายนี่ะทำไมไม่กลัวเพราะหลายคนที่ไม่สมปัดฐานะแล้วฆ่าตัวตายก็แปลว่ า, เ, าเขาไม่กลัวความตายเลย นะเจอปัญหาหนัหนกๆป่วยมากเป็นภาระคนอื่นมากตายซะบอกตนเองบางคนหาทางหาวิธีฆ่าตัวตายเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันทนต่อสังขารไม่ได้ทนต่อปัญหาไม่ได้ทนต่อจิตทนต่อความอยู่ในชีวิตนี้ถูกคนมองอีกมุมหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่ายึดมั่นในตนเองมากฉะนั้นคนแปลว่าไม่กลัวตายนะแต่กลัวพัดภาคตนเอง แล้วอันที่สี่ที่บอกว่าพระเจ้าไปเห็นนักบวชนะก็เลยออกสแสวงหาโมฆะธรรมเห็นนักบวชอะไรเห็นอนักบวชแต่ก่อนมีแล้วท่านใช้คำว่าสาธุโขปปัตติชาไม่ได้ว่าอุปสมบทนะปะ ป, ะปัตชาแปลว่าผู้เวน้นเนี่ยเนนสมณเนรเขาใช้ว่าบรนปัตชาพระเวลาก่อนจะบวชต้องบรรปัตชาก่อนเป็นสมณเนรก่อนสมณเนรมีศีลสิทธอย่างเงี้ย สินสิบเว้นอะไรล่ะก็เว้นจากศีลห้าไม่ต้องอธิบายนะทุกคนรู้แล้วขนาดนี้แล้วเพราะว่าเราเป็นผู้เข้าศูนด้วยกันทั้งหมดนะหนึ่งเว้นจากศีลห้าแล้วก็เว้นอีกเว้นสูงกว่านั้นอีกก็เว้นสินสิบนะอันนี้คือบรญประชาไปมาเว้นอ่าเว้นออกมาแล้วออกจากบ้านจากช่องมาแล้วล่ะก็เรียกว่าบรญประชาทีนี้เข้ามาเป็นพระต้องอุปสมบทคือยัตติอีกสามครั้ง นะด้วยวิธีการทางพุทธศาสนาพ่านอุชาตามพุทธบัญญัติจึงได้เรียกว่าอุปสมบทผู้เข้าไปเขาว่าอุปสมบทผู้เข้าไปศึกษาธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปนะในบทในบั ญ, ญญัติของพระพุทธเจ้าในธรรมะพระพุทธเจ้าบทบัญญัตนะิอันนี้คือเข้าใจแล้วนะสังเวชทั้งสี่นะใครจะไปก็ดีก็ดีไม่ว่าแร้กก็ดีอยู่นะไปก็ไปนะ ตามรอยไปลึกนึกถึงพระรูปเจ้าตรงนี้พงค์อประสูตยนะการเกิดบ่อยบ่อยพระรูปเจ้าก็บอกว่าการเกิด บ, บ่อยๆ่เป็นทุกข์ลําไปตรงนี้ตรงที่ปรินิพานนะปรินิพานไปสวดอะไรล่ะบางคนก็ไปสวดพาหุงอกอดีมกันแหละพระรูปเจ้ากว่าจะตัดสู้ก็ต่อสู้มานึกหลายประการนะสวดพาหุงแต่ที่แต่ที่สิ่งที่น่าไปสวด น, นะก็คืออเนกชาติสังสารัง คาถาที่พระเจ้าตรัสสรู้วันแรกแล้วพระองค์ทรงเปล่งอุทานที่หลวงพี่ท่านพาสวดเคยทำวัดแล้วนะอนเนกชาติสังสาร้างรังสันถาปิสังนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้เล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอนเนกชาติาการรังกเวสันโตตุคขาจติปุระปณังการแสวงห า, าสแสวงหาอยู่ซึ่งพบนะผู้สแสวงหาสุ อ, อยู่ซึ่งนายช่างผู้สร้างเรือนนเป็นต้น คือยังไม่รู้วิถียังไม่รู้ยานยังไม่มียานปัญญาเขาว่ายานตอนนี้คือยานปัญญานะไม่ใช่ยานภานะยังไม่รู้ยานยังไม่เห็นยานเนี่ยแสวงหาพบคือการเกิดบ่อยๆแสวงหาความเป็นนั่นนี้จนจนเขาบอกว่าไม่เกิดอยู่สามอย่างพระเจ้าไม่ประสูตรไม่ไม่ไปเสวยชาติอยู่สามอย่างคือหนึ่งแมงลิ้นหมาระวังกันนะไม่รู้ว่าในเล่มไหนไม่รู้ว่าพระอาจารกล่าวไว้หนึ่งในแมงลิ้นหมาสองเส้เดือนสามขัง ขางคกหรืออืงนอ่างเนี่ยนะนอกนั้นนอกนั้ น, นะ น, นเป็นมางดทุกอย่างว่างั้นตั้งแต่แตมดแต่แมงเคยเป็นมาหมดมันเราอ่ะในวัฏฏะสองสารไม่มีตัาา้มกลางเบื้องต้นและที่สุดเนะนี่ยทีนี้นี่คือสิ่งที่ไปแล้วเนี่ยคือไปเห็นสถานที่สังเวชเราปฏิบัติธรรมไปเหมือนกันนะเห็นความปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรคือยกมืออย่างเงี้ยอยกไปกําหนดความรู้สึกยกยังไงล่ะวิธีการยก แต่สมาบางครั้งสมาใช้ก็มาปลูกเสก ย, ยมเคยไปร่วมงานปลูกเสกไหมไปบ่อยเลยใช่ไหมหิ่งพระที่บ้านจนจะหักเลยได้ของขังมาเต็มไปเลยนะดี <c oughs> ทุกคนมันต้องผ่านอย่างนั้นมาหมดนั่นแหละนะดีแล้วล่ะเป็นที่ระลึกคือเมื่อเรามานั่งปลูกเสกเนี่ยส่วนมากปลุกเสกเราเอาไปใช้ผิด คำว่าปลุกนั้นแนหะโยมกําลังปลุกปุกตัวไห น, นปลุกตัวสติให้ตื่นขึ้นมาะปลุกให้มากสติต้องทำให้มากนะปุกเนี่ยมันไม่ตื่นก็ตีมแรงๆหลวงพ่อเทียน ใ, ใช้คำว่าวิธีการเรินะ่แรกน่ะแต่แคงมือขวาขึ้นคือเราบางคนเดี๋ยวทำไปบางครั้งกลายเป็นอย่างอื่นไปก็มีทําแบบช็อตคัดก็มีเอายี้ก็มีนะเอาแบบเต็มๆหน่อยเอาตามที่หลวงพ่เทียนท่านบอกเพราะเรายังไม่ชานาญนะ ก็ตะแคงมือขวาขึ้นให้รู้สึกตัวนะยกมือขวาขึ้นขึ้นตัวให้รู้สึกตัวเอามือขวามาที่สะดอือให้รู้สึกตัวตะแคงมือซ้ายขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายขึ้นขึ้นตัวให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายมาที่สะดือให้รู้สึกตัวเลื่อนมือขวาขึ้นให้รู้สึกตัว ยกมือขวาออกมาซึ่งตัวให้รู้สึกตัววางมือขวาลงที่หน้าขาให้รู้สึกตัวคว่ำมือขวาลงให้รู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายออกมาที่ขึ้นตัวให้รู้สึกตัววางมือซ้ายลงที่หน้าขาให้รู้สึกตัวแล้วก็คว่าลงให้รู้สึกตัวนะถ้าเราทาเหมือนหลวงพ่ทเทียนว่าเนี่ยทาทุกขณะรู้ทุกขณะ แต่มาว่าความหลงมันแทบจะไม่ได้เกิดเลยนะใช่ไหมแต่ว่าความง่วงจะเข้ามาแทน <c oughs> เพราะอะไรเพราะเราเพ่งมากอะ่ะคือความง่วงมันเกิดเพราะจิตเราเป็นสมาธิถ้าคนไม่มีสมาธิไม่ง่วงหรอกนะพอมันเริ่มแต่ว่าพอสมาธิมันเริ่มแล้วเนี่ยสติเราบันอ่อนมันก็เลยครอบงําได้นะความง่วงอะ่นะตั้งลองดูไม่เชื่อตมะมานะอาจารย์พู ด, ดลองดูคือลองวิธีลองวิธีลองแบบหลวงปู่เทียนเนี่ย คืออาตมาเคยถามโยมหลายคนว่าเขาเข้าใจรูปนามเนี่ยขณะเข้าใจเขาอยู่ท่าไหนทํายังไงแทบทุกคนเขาบอกว่าโยมหันหน้าเข้าฝาผนังพระอาจารย์เนี่ยหันหน้าเข้าฝาผนังเนี่ยคือไม่ได้มองใครล่ะเลยมาจับจุดได้ไเไปสังเกตดูตาเราถึงไหนใจเราถึงนั่นน่ะมันจะอาตมายมบอกโยมอาโยมมานั่งนะเนาะ มันก็รีแลกอยู่ไม่ง่วงไม่มันสบายอ่ะจนไม่ได้อะไรอ่ะมันสบายเกินไปนะมองตาเราไปถึงไหนใจหรือถึงไห น, นมองไปที่นาฬิกาเขารูร้ว่าเวลามองไปดูพัดลมว่าปิดหรือเปิดมันสักแต่ว่าไม่ค่อยเป็นนะมองไปที่พร ะ, ะท่านกําลังพูดพูดดีพูดไม่ดีพอใจไม่พอใจอันนั้นก็เรื่องหนึ่งมองคือเขาทัา้งคนเขาฉลาดเขาเลยเขาเลยหันหน้าเข้าฝาผานังหันหน้าเข้าไปแล้วก็ไม่ไม่ไปเพ่งนะไม่ได้ไปเพ่งสีเพ่งแสงอะไรละหันหน้าเข้าไปมอง กำจัดไม่เห็นไปไกลมากเพราะมันมองแค่เนี้มองมันมันคิดเรื่องนี้แล้วก็ม่านสีอะไรมันเดี๋ยวมันขายคิดแล้วแหะมันคิดครัง้งสองครั้งก็อายนะแล้วก็มากําหนดรูปเขาทําวันสองวันสา ม, ว, สามวันเขาเข้าใจเข้าใจรูปนามถึงบางอ้อนะได้สติชัดเจนนะแล้วก็เข้าใจรูปนามเลยถามว่าเนี่ยโยมทําอย่างเงี้ยแทบทั้งนั้นเลยนะ ไม่มีใครได้ไปนั่งดูท้องฟ้าดูนกดูรถวิ่งผ่านมาแล้วก็ได้อารมณ์ได้สภาวะสติสมบูรณ์หรือไดอ้เข้าใจรูปนามเนี่ยไม่มีนอกจากจะคิดบางคนก็มีแต่มาคิดว่าเขาน่าจะมีอยู่เพราะว่าอะไรจิตก็เหมือนบางคนก็คิดน ะ, ะจิตเราก็เหมือนรถวิ่งไปวิ่งมาผมคิดนะสติเราถ้าสติเราเร็วนี่ เราก็เห็นทันทุกทันหรือว่าบางทีก็จิตเราวิ่งไปเนี่ยจิตมันเร็วสติเราน้อยก็วิ่งไม่ทันเหมือนกับจักรยานวิ่งตามรถใหญ่ก็ไม่ทันพัฒนาสติมาให้เป็นมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะทันแต่ไม่ก็ยังไกลอยูอ่พัฒนามาเป็นรถรุ่นเดียวกันวิ่งทันกันแต่ต้องปรับใหม่ให้เท่ากันนะบางทีสติเราเร็วกว่าวิ่งแซงไปเลยก็เหมือนกับจิตเราเนี่ย นะถ้าสติเราน้อยอยู่คมชิดมาปั๊บบางทีนั่งยกมืออยู่มันมันปรุงแต่งไปหลายเรื่องแล้วใช่ไหมอ๋อมันไปไหนจิตเราต้องมาตามหาจิตอ๋อไปได้ยังไงนั่งยกมืออยู่เนี่ยเ อ, เอาใหม่เริ่มใหม่ยกไปยกไม่ถึงยังไม่ถึงสิบสี่ท่าเลยไปอีกแล้วรู้สึกตัวอีกแต่ว่าดีอยู่หลายคนที่รู้สึกตัวแล้วกลับเริ่มใหม่นะส่วนมากก็คิดต่อโอ้เรื่องนี้น่าคิดเรื่องนี้น่าปรุงแต่งต่อปรุงแต่งต่อไปไปกลับไปบ้านจนะทำอย่างนั้นอย่างนี้ โอ้เราลืมมานานแล้วอยากคิดเรื่องนี้เพิ่งคิดได้เรานั่งคิดต่อไปอีกเผลอไม่พอเอาสมบุญมาจดเดี๋ยวดืม่มอันนี้ก็เรียกว่าไม่พอใจไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วปรุงแต่งต่อไปอีกฉะนั้นก็เหมือนรถอ่ะถ้าสติเรารู้เท่าทานันผมคิดเกิดขึ้นรู้มันเริ่มสติเราเริ่มเร็วขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มทันขึ้นทันขึ้นอาจจะคิดช้าหน่อยคิดลงอ่าคิดเป็นหน่อยหนึ่ง ไปสักสองสามพลอยแล้วก็รู้ทันนะแล้วก็จากนั้นก็รู้ทันตอนมันเกิดก็ยิ่งสมบูรณ์เลยทีนี้ยนะความคิดเกิดปั๊บรู้ปุ๊บเกิดปั๊บรู้ปุ๊บชี้หน้าเลยโอ้ยรู้แล้วเนี่ย น, น, น, น, น, นายช่างผูกเรือนนะเรารู้จากเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปพรนะพุทธเจ้าตั้นชี้หน้าเลยนะรู้เท่าทันจิตมันเกิดขึ้นรู้โอ๊ยมันไม่ใช่เราเป็นความคิดเฉยแต่เราจริงๆคือตัวสติ ตัวความรู้สึกตัวเฉยเฉยตัวปัญญาสติปัญญาของเรานี่ยเองนะอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อันนี้นี่หมายถึงบางคนก็อาจจะรู้ได้นั่งมองรถนะได้ข้อคิดนะคือธรรมะมันเกิดจากการได้ข้อคิดนะได้ข้อคิดตนเองคือปฏิบัติธรรมไปเนะี่ยจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ได้ปัญญานะถ้าปฏิบัติธรรมไม่ได้ปัญญามันก็เหมือนกับพระยกตัวอย่างอีกทีหนึ่ง พระเวลาท่านบวชใหม่ๆเนี่ยทําไมท่านถึงให้อยู่กับพระอุปชาสามปีให้พ้นมุตตะกาก่อนห้าปีไปให้เป็นเทระอะไรก่อนนะจึงจะค่อยออกไปจากท่านได้พราะบางคนไม่อย่างนั้นน่ะอ่านโลกทิพย์มาเยอะนะอ่านโลกทิพย์มาเอะโลกทิพย์อ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่งกันเท่านั้นอ่ะนะเพื่อนมาสองสามรูปแต่งอยู่ในโลกทิพย์อ่ะทั้งที่มันนอนอยู่ด้วยกันแท้เป็นเรื่องเวลาไปได้นะก็ พอ <c oughs> ไปอ่านอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาบวชแล้วก็หนีเข้าป่าเลยไปประพฤติปริบัติเอาเป็นเอาตายทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะจะมาไปเจอพระรูปหนึ่งไปอินเดียด้วยกันนะครับาก็ไปตามทัวร์ด้วยกันนี่แหละก็เลยถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนโอ้นะอยู่ที่ภาคใต้เป็นนักเรงเก่านะก็ตัดสินใจบวชนะท่านก็เล่าให้ฟังผมหลงมาเยอะเหมือนกันอาจารย์ท่น หลงอยู่สามปีนะก็เรียกว่าผ้าดำรูกประคำใหญ่ฉายาท่านนะเขาให้ฉายาหลวงพ่อผ้าดำรูกประคำโตนะอีนึ่งครั้งนกะ็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนแปลงตัวเองถึงนะได้ฟังครูบาอาจารย์ผมถึงรู้ว่าทํานทําบางเอาตามความคิดตัวเองเนี่ยต่อมาว่าอัศจรรย์ใจท่านพระหนุ่มนะวันสักเก็อเก็บันษาเนี่ยเดินทุดงเนี่ย ไปคนเดียวไปมดทุกที่ถ้ำที่ปตมาพูดถึงท่านเคยไปอยู่มดะขณะดถ้ำอยู่บนเขาบนอะไรึสูงที่ปตมาไปะท่านเคยไปอยู่ผมไปอยู่แล้วจันเดือนหนึ่งสองเดือนโอ้แล้วก็ท่านบรรยายตรงนั้น่ะถูกต้องมดเลยเรียก ว, ว่าไปคนเดียวเก่งะตอนที่ผ้าดํารูกประคำตัวนะหลังจากนั้นท่านก็ลงมาก็มาฟังครูบาอาจารย์จึงได้โอ้อะไรมันถูกอะไรมันผิดแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งที่อ่าตัวเองหลงไว้แล้วก็ นะมายึดหลักสติปัฏฐานสนีะ่มันเราทําอยู่เนีนะ้ฉะนั้นการไปแต่ละครั้งการการะทําอะไรก็แต่ให้เกิดสังเวชพูดถึงสังเวชนิดหนึ่งที่ว่าทําไมต้องพูดถึงเรื่องสังเวช ท, นะที่จะมาอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะสังเวชชีวิตเนี่ยถ้าไม่สังเวชชีวิตก็อยู่ไม่ได้หรอนะกเขาไปมีครอบมีครัวมีครัวครอบไว้เรียบร้อยแล้วนะพราะปฏิบัติไปแล้วมันเห็นความสังเวชของชีวิตโอ้เรา มันไม่เคยเห็นตนเองเลยอย่างงี้เกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นตนเองไม่เคยรู้จักตนเองเลยะไม่เคยแทบจะไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเลยสุขที่ไม่อิงอามิ่รมันไปสุขอิงอามิตรหมดเสุขอิงอามิตรสุขอิงคําพูดสุขอิงวัตถุสุขอิงคนอื่นสุขอิงสิ่งอื่นแล้วก็สิ่งอื่นมันไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเราก็ทุกข์เลยทุกข์กับสิ่งอื่นก็เลยทําให้เราผิดหวังตลอดเวลา ทีนพอมาอย่างเงี้ยนะเข้าสู่ร่มภาคเอาสัพพัทแล้วเนี่ยมาเห็นโอ้ความสุขที่จริงคือความไม่มีอะไรนะความสุขจริงคือความไม่มีอะไรนะถ้ามีแล้วก็พัดภาค ม, มันไม่จากเราแล้วก็จากมันไม่จากด้วยธรรมชาติก็จากเพราะการพระภาคจากคนอื่นแย่งชิงไปอย่างเงี้ยก็เลยเห็นอย่างเงี้แล้วโอ้เราไม่มีดีกว่านก็เลยอยู่แบบไม่มีนะไม่มีมาเรื่อยแม้แต่บวชก็ยังไม่มีนะ อบวชก็ยังไม่มีไม่มีวัดหลวงพ่อก็ให้ไปเฝ้าวัดให้ที่อเมริกาออันนั้นก็ไม่ใช่อะไรเราก็ไปเฝ้าวัดให้ท่านอยู่ที่อเมริกาหลวงพ่อท่านก็ไปของท่านเรื่อยและไปที่ไหนคนก็ศรัทธาคนเราก็แปลกนะคนไทยเนี่ยศรัทธาแล้วหนึ่งบอกให้สร้างพระชอบสร้างพระใหญ่ไปถามนี่พระอาจารย์มีศาราแล้วมีผ้าใหญ่หรือ ย, ยังโยมจะมาซื้อไห้มาโอไม่ต้องเอามาหรอกบอก ตมาสร้างศาลาเนะี่ยน่ะหมดเงินจังเยอะแล้วยาพระใหญ่มาตั้งแล้วกินพื้นที่ตมาเยอะนะมาค่อยเอาผลเฉยเนะี่ยตมาเอาองค์เล็กๆพอได้กราบได้ไหวนะพอสักการะนะ่ะจะใหญ่จะน้อยก็มันอยู่ที่ใจเราหมดแหละไม่ได้อยู่ที่องค์ใหญ่มาอมวังนั่นก็พูดจะแซลเขาเล่นะนะก็คือปฏิเสธแบบอ่าพอดีพองามไม่ต้องลอกโยงก็ไปให้วัดที่คั่นตอการก็แล้วกันนีก็พูดอย่างนั้นนะ่ะน่ะ เพราะบางวัดบางแห่งในสร้างสลาบท ห, หลายล้าน่ะพระประธานไหลเข้ามาเกือบเกินทางคนจะไปนั่ไหว้พระแทบไม่มีอย่างเงี้ยอันนั้นท่านมีความสามารถสร้างก็ดีแล้วล่ะนะพูดถึงว่าเราไม่มีความสามารถขนาดนั้นก็เอาไว้สําหรับให้คนนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสวดมนต์ดีกว่าอไว้ที่เดินตะกลมดีกว่าอย่างเงี้ยนะทีนี้น <c oughs> ท่านก็ให้ไปเฝ้าอยู่ที่อเมริกาท่านก็มีถามว่าหลวงพ่อดิเรกนยท่านตามที่จะมาติดตามท่านมาเนะ่ย ตั้งแต่ปีพศออ38 37ทนำะมาบวช36นะบวช36ออกพรรษาแล้วก็ติดตามท่านเลยโน่นลงภากไต้ครั้งแรกนะลงภากไต้ไปที่ละเก็บวัน8วันไปเรื่อยๆอบรมไปเรื่อยๆพาพระนะไปปฏิบัติธรรมเก็บอารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็โยมก็เห็น1อยากสร้างพระ2มีที่อยากถวายที่ดิน พอพร ะ, พระท่านพูดไปเยอะอโยมเป็นเจ้าภาพพระประธาน่มีอันิสงอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นเจ้าภาพที่ดินซื้อที่ดินถวายวัดมีอนนันดิสง์อย่างนี้นะก็ดีอยู่หรอกโยมก็ถวายะก็ลําพังวัดหลวงพ่อมีรับรับรับรับไว้แล้วก็ให้พระลูกศิษย์ลูกหาอยู่อยู่อยอยู่อยูเป็นวิธีการแบบหลวงป่อเทียนทั้งหมดนะก็หลายแต่ว่าไม่ดังทําไมไม่ดังเพราะไม่มีไม่มีของขังนะ ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมลงโลกทิพย์แล้วก็ไม่มีของขังก็ไม่ดังเราอยู่แบบพอดีพองามเอาเป็นว่าผู้มีปัญญานะเห็นทางนี้ว่าถูกต้องก็ค่อยมาศึกษามาปฏิบัติเอาไม่ต้องเชิญชวนนะเขาคนทุกข์แล้วก็จะแสดงหาทางพ้นทุกข์เองนะทาบุญก็มีถ้าทุกข์แล้วไม่แสดงหาพานพ้นทุกข์ก็ไปปรึกษาสิ่งอื่นปรึกษาความตายปรึกษายาพิษปรึกษาปืนปรึกษาเชือบ ก็บอกว่าตายซะเจรผลทุกไปแต่ผู้มีปัญญาผู้ที่พอมีบุญเก่าเหลืออยู่เรานะนึกถึงครูบาอาจารย์อ่าเคยมาฟังมาเทศตรงนั้นตรงนี้นะมาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็พอมีแนวทางได้บ้างก็มีเขาเรียกว่ามีบุญเก่าคอยอุปถัมป์อยู่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นทีนี้ <c oughs> พูดถึงอ่าบุญเก่านิดหนึ่ง เพราะอะไรถึงพูดเรื่องนี้เพราะปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมาติดตามหลวงพ่ออที่ไปที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเขาจะนิมนต์ทุกปีนะ่ะนิมนต์หลวงพ่อทุกปีปีละสิบวันนะจัดคอร์สปฏิบัติเนี่ยเกตวันนะเดินทางอีกสามวันพักผ่อนไม่มีนะหลวงพ่อได้ไหมพักผ่อนนะนะลงลงเครื่องวันนี้เทศทนี่ยงเยินนี้เลยนะลงเครื่องเย็นนี้ทนเทศ่ยงทุ่มในเช้าเลยหลวงพ่อนะี่ยคือนี่คือหลวงพ่อได้เลก ท่านถึงรักษาร่างกายท่านดีแต่มาทำไม่ได้ของท่านหรอกนะโยค่าก็ไม่ถึงสามท่าก็เกนะ็บหลังปวดเอวแล้วนะท่านเก่งทีนี้ไปฝรั่งเศสนะก็คนฝรั่งเศสก็เข้าใจเยอะนะมีคนหนึ่งยกตัวอย่างคนหนึ่งวันนั้นเป็นวันวิสาขาโลกอนะคําว่าโลกตรงนี้กหมายถึงว่านะคนพุทธทุกนิกายมารวมกันนะนะพุทธนิกายนิกายไทยไม่เห็นนะ สยามวงไม่เห็นเห็นแต่เห็นแต่พระลาวนะพอดีหลวงพ่อท่านไปปฏิบัติธรรมเปิดปรวมที่วัดลาวพอดีเขาเลยพาไประหว่างบรรยายคนเยอะเต็มห้องเนี้ยนะฝรั่งทั้งหมดเลยนะคนไทยนิดหน่อยนะพวกฝรั่งเศสนะมาฟังทีนี้มีคนมาเห็นโยมคนหนึ่งนั่งนั่งอยู่แกรู้สึกว่าเห็นญาติโยมที่ติดตามหลวงพ่อไปนั่งยกมือนะ นั่งยกมือสร้างเยาว์าเนี่ยแกคขาตั้างยกมือด้วยเอ่ะก็เป็นคนที่แปลกผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็ดูแกมีความสุขอิ่มยกมือไม่เหนื่อยไม่ล้าเลยแล้วก็ให้สามีนะสามีฝรั่งคนคนฝรั่งเศสอุ้มลูกให้สามีก็ชี้งเชี่ยงแลนะ้วทำให้ทําอะไรทำหมดนะสามีคนนี้ตามที่ตำราสังเกต ด, ดูใช้คําว่าเชี่ยงไว้นะว่าอไม่พูดไม่จาให้ทําอะไรทํำหมด ภรรยาก็ยกมือไส้เนี่ยว่าเจ๊สามีก็นั่งตาติดๆอุ้มลูกกอดเข้าหลานกอดเข้าลูกอยู่ทีนี้พอหลังจากที่เสร็จบรรยายแล้วเนี่ยออกมาข้านอกแกติดตามมาติดตามมาจนตามมาถึงวัด่ะตามมาถามธรรมาริเห็นได้ถามก่อนโยมทําไมถึงรู้สึกว่าตื่นเต้นทําไมรู้สึกว่าอิ่มเอิมเอิบอิ่มเหลือเกินการปฏิบัติธรรมหรือวะเขาก็เลยเล่าให้ฟังพระอาจารย์วนั้นบรรดาคนทั้งหลายไม่มีใครทุกข์เขาโยมอมอ่าทำไมพูดอย่างนั้นอะ โยมเหมือนคนแบกโลกนะไปทําค้าขายนะเปิดร้านอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ถูกโกงนะถูกเอาเปรียบถูกกันแกล้งจนติดคุกนะจนติดคุกอยู่หลายปีเอออยู่อยู่สี่สี่เดือนติดคุกสี่เดือนเข้าไปแล้วก็เพื่อนฝูงที่รู้จักกันดีๆเนี่ยแฮปปี้ด้วยกันปากว่บาบอกลายแกมหมดเลย เฟซบุ๊กโทรศัพท์โทรหาไม่รับสักคนหนึ่งพึ่งไขไม่ได้เลยพ่อจาย์นั้นตัวคนเดียวแกบอกทํายังไงทีเนี้ยก็เลยมันทุกข์อ่ะพอทุกข์แล้วทำไงก็สแสวงหาทางออกจากทุกข์ทายังไงก็แกบอกจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเหมือนกันนะทีนี้ก็เลยนึกถึงอคูบาจาันที่นู่นมันไม่มีไปวัดไปวัดขอภัยนะไปวัดวัดลาวขอภัยวัดลาวไปไปพูดเรื่องทุกข์อะไรเขาเขาก็ ไม่ผูกแขนให้ประพมน้ำมนใหนะ้ก็เย็นหน่อยหนึ่งขณะประพมรม น, นั่นแหละพญานางั้นเออก็ดีแล้วล่ะนะผูกแขนให้ให้กำลังใจนะทีนี้ก็เลยทำไงก็ไปค้นหาค้นหาใน g นะูเก่ะวิธีการปฏิบัติธรรมธรรมะหาฟังแกก็เลยไปเจอหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนเนี่ยเห็นวิธีการปฏิบัติวิทยการหนึ่งยกมือสร้างจังหวะ คือเราเห็นทุกที่วิธีการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เห็นปรดีหมดทุกที่นะนะแต่ว่าแกมามันทุกข์มากอ่ะแกก็ทําอคือเขาบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมคนที่จะเห็นธรรมมากเนี่ยคือปฏิบัติธรรมแล้วเห็นทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์แล้วมาปฏิบัติธรรมถ้าทุกข์แล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้อ่ะได้ก็ต้องอินทรีย์แก่ก้าต้องเก่งมากๆถึงจะถึงจะเห็นเพราะอะไรเพราะ ลูกก็จะฆ่ากันตายอยู่แล้วนะบ้านก็ไม่มีจะกินนะสามีก็จะทิ้งนะคดีความก็จะมาถึงพรุ่งนี้มะืนนี้มาเข้าวัดอย่างเงี้ยมันะมนั่งสมาธิหลับตาไม่ลงอ่นะเพราะอะไรเพราะมันมีความปัญหาความเดือดร้อนนะมันจะหตาลงได้ไงล่ะไม่รู้เขาจะจับวันไหนจะฆ่าวันไหนใช่ไหมมันคนพุทธเจ้าถึงไม่ให้บวชคนหนีคดีอย่างเงี้ยคนที่มีอาญาพุทธเจ้าไมา่ให้บวชคนหนีภรรยาอย่างเงี้ย คนหนีพ่อแม่เจ้าไม่ให้บวดเพราะอะไรเพราะมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วนั่งสมาธิไม่ได้มันมันมีเรื่องรุมเร้าเข้ามาเยอะนะฉะนั้นคนธรรมดาเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมาพอปฏิบัติธรรมแล้วไปเห็นทุกข์ว่าโอ้ชีวิตเป็นทุกคนนี้คือคนเห็นธรรมปฏิบัติธรรมไปเห็นทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์แล้วมาปฏิบัติธรรมฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมก็มาช่วงที่เราแข่งขาดีสติปัญญาดีอหมดภาระหมดปริโภทศ นะไม่มีปริพอดทางบ้านไม่ต้องห่วงมาแล้วลืมปิดประตูลืมทำอันนั้นทําอันนี้ค้างไว้อย่างเงี้ยไฟแก๊สยังไม่ดับอย่างเงี้ยยังไม่ถึงบ้านาต้องขับรถกลับไปนะเขาเรียกว่าปริพอดปริพอดที่อยู่มาแล้วก็อยู่ไม่ได้นะปริพอดในเพื่อนฝูงก็นะนอนค้างโกลนเสียงดังแล้วเกินนอนไม่หลับอย่างเงี้ยหรืออะไรต่างๆเนะี้ยก็มีหมดกําลังใจอย่างเงี้ยเราปริพอดหลายอย่างก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องไม่มีสิ่งที่ข้องคาใจเรา ในการมาพื้ปฏิบัตินะมันถึงจะปฏิบัติทําได้พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไปเห็นทุกข์ที่หลังโอ้ชีวิตที่มันทุกข์ขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยนะก็ทุกข์ขนาดไหนล่ะโยมถึงจะเห็นทุกข์เดี๋ยวเราขออภัยพูดถึงเอาเอาจําำจิตมาพูดถึงทุกข์ขนาดไหนนะพูดถึงไอ้คนผู้หญิงคนนั้นก่อนเนพราะโยมหลายคนคล่องใจ <c oughs> พอดีเขา พอดีมีคอแห้งได้หนึ่งนะเพราะว่ามันมีอไออยู่ไม่หายทีนี้ก็เลยถามเขาเป็นไงเขาเนี่ยไปไปฏิบัติธรรมเห็นเห็นใน u ู u ูบเนี่ยแกก็เลยไปนั่งปฏิบัติธรรมที่บ้า น, นทั้งที่ปัญหาก็เยอะนะหลังจากออกจากคุกมาแล้วเนี่ยม า, าจนมาเปลี่ยนสามีใหม่สามีเก่าทิ้งเลยาสามีเก่าก็ไปกับคนที่มันโกงนั่นแหละว่างั้ น, น ก็สามีใหม่มาก็มาปฏิบัติธรรมก็มันมันทุกข์มากก็นั่งยกมืออ่าปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังแกบอกคือหลังจากไม่มีงานทํายังทําอะไรไม่ได้น่ะมาปฏิบัติธรรมซะก่อนแกก็ทําหลายทางอยู่บอกว่ามันหลับตาไม่ลงปัญหามันเยอะหลับตาเนี่ยมันฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านปวดหัวอึดอัดน่ะไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้พระจานทร์โยมก็เลยเดินตะ ก, กล่มอย่างนั้น ก็เห็นเนี่ยยกมือสร้างวะแล้วก็หลวงป่อเทียนท่านบอกพยายามเอาใจความท่าน่ะยกมือขวากึ้นให้รู้สึกตัวอ่แต่แกงมือขวากึ้นให้รู้สึกตัวยกมือขวากลึก้งไม่ใช่ามาบอกเมื่อกี้เนี่ยให้รู้เป็นช็อตๆ อ, อ, อย่างเงี้ยให้ชัดเจนจากนั้นแกก็เดินจงกรมแกมาเข้าใจเองนะก็ฟังธรรมระหลวงพ่เทียนไม่มีไม่เจอพระไม่เจอครูบาอาจารยนะ์แกเข้าใจเองเห็นสภาว่ามันเบาเบายัางไงนะ่ะ ฟังหรอเปล่าเนี่ยที่ถามไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเรกหลงกินยาแล้วลืมคือแกเนี่ยแกบอกทุกข์มากหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันเ ป, นเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงยังไงถามว่าปัญหาหายไหมไม่หายนะไม่ได้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตโชคดีร่ารวยถูกลอตเตอรี่นะให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วปรากฏว่าปัญหายัางเท่าเดิมนั่นแหละ นะแต่ว่ามันไม่เครียดมันสบายแกบอกสติจิตของเราน่ยมันไม่ไปอุ้มเอาปัญหามันปล่อยพระอาจารย์แต่ก่อนนั้นหนักโอ้ยนอนไม่ได้กินไม่ได้กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเลยเพราะงั้นมันคนแบกโลกมันโลกทั้งใบเราทํำไมต้องทุกข์ขนาดนี้แกบอกหลังจากแกอ่าถึงจุดหนึ่งแล้วทำไปเรื่อยเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเองแกบอกมันหลุดพระอาจารย์มันเมื่อปัญหามันล่วงบุ๊ปไปหมดเลยเพราะงั้นเบากายเบาใจนะ มองถือปัญหาก็เฉยๆอ่างนั้นแล้วแต่มันแกว่านะนะเพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยมันไม่ไปรับเอาปัญหาคือปกติแล้วจิตของเรามันอยากจะป่อยอยู่แล้วล่ะแต่เราไปยึดมันเลยหนักเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยจิตเรามันลำพังวางความทุกข์ก็ยังง่ายวางความสุขยิ่งยากอีกแต่แกบอกว่าจิตมันวางโมทไม่สุขไปทุกข์มันอยู่เฉยๆพยาย์ปัญหาก็เห็นมันหัวเลาะใส่ปัญหาเลยหัวเลาะใส่ชีวิตตัวเองโอ้โหทำไมถึ ง, งโ ง, ง่ตัวเงที่ผ่านมา นะมันเบากายเบาใจแม้แต่ความแม้แต่เรื่องคิดถึงเรื่องปัญหาปับนะ๊บเนี่ยเขาบอกรู้ว่าเป็นปัญหาอยู่แต่จิตใจมันไม่ไปทุกข์ชัางมันจะบอกแล้วก็หาทางแก้ที่หลังนะอะไรจะเกิดก็เกิดอ่ะล้วก็ทำสุดความสามารถแล้วนะนี่คือการปฏิบัติธรรมของแกแกก็ เ, เลยหลังจากนั้นแกเขาตั้งขยันเดินจงกรมเช้าเย็นปฏิบัติธรรม นี่แหละหลังจากนั้นมาแกมาเจอแกไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอคือในประเทศไทยไม่มีแล้วแกว่านะประฏิปทาลกมือหลวงพ่อเถียนก็ตายไปแล้วมรณนภาพไปแล้วเขาะว่านะ่ะก็มาเห็นหลวงพ่อและคณะไปปฏิปทาลงมือสร้างว่าแกตื่นเต้นแกดีใจน้ําตาไหลเลยพระี่จาย์มันมีความสุขมันเจอรคว่ า, วามันเจอพวกเดียวกันอ่ะหลงฝูงไปนนานอย่างเงี้ยมันเจอพวกเดียวกัน พวกไหนล่ะขอขออภัยนะบางคนก็ถามพระอาจารย์พระอาจารย์สายไหนเนี่ย <c oughs> มาเจอถามบ่อยมากเลยนะคือว่าเราชอบเราชอบอย่างเงี้ยแล้วเราชอบอยู่ป่าโดยนิสัยอยู่แล้วนะนะมาถามมาสายไหนแนละ้วมาไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยบอกว่าโยมพระทุกรูปสายพุทธเจ้าหมดนั่นแหละอย่าแบ่งสายเลยนะมันหลายสายอยู่แล้วล่ะนะ เอาเป็นว่าวิธีการไหนนะให้โยมจําคํานี้นะอันนี้ไม่ใช่สายหลวงพ่อเทียนนะโยมปฏิบัติทางสายในสายหลวงพ่อเทียนนะ่ะเขามองหน้าค้อนๆแล้วนะไปไกลๆเลยทกำนองนั้นนะให้บอกว่าวิธีการเทคนิคของพ่อเทียนเทคนิคที่จริงไม่ใช่หลวงพ่อเทียนนะเทคนิคของพระเจ้านั่นแหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเวลาเท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยนาฬิกาอยู่ไกลต่มามองไม่เห็นเลยขอขอพระเอกรู้ เอามันเลยเวลาแลนะ้วถึงเนาะเอาเอาสักหน่อยนึงเอาเอาแปลว่า อ, อีกนางคนนั้นมันมันดีแล้วนะมันหายทุกข์แล้วะมาเอาสายดีกว่ามาแก้ไขตัวเนี้ยเพราะกลัวหลายคนจะเข้าใจผิดนะคําว่าวิธีการเนะ่ะหลวงพ่อเทียนบางทีท่านก็พูดว่าไม่เขียนไว้ก็ไม่มีสิอันนั้นพูดประชดเฉยหรอกมีมุอดในประไตรปดฎกนะเพราะอะไรเพราะไปดูไปศึกษามาแล้วมันเราสวดอะ่ะเอาตอนแรก อาตอนแรกเลยเนี่ยออลีกินอันที่พระเจ้าท่านสอนไว้เลยก็คือให้ดูลมหายใจเห็นไหมให้รู้ชัดให้รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ชัดอ่าว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกเลยทีนี้พอหายใจดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นระหว่างลมหายใจมันเกิดปีติเกิดสุขเกิดทุกข์นะท่านบอกให้พึงศึกษาว่า ศึกษาว่ามันอ่าปิติอันนี้ปิตินะพึงศึกษาว่าอาการให้ศึกษาแต่ให้รู้ชัดในลมหายใจะแต่อาการที่เกิดขึ้นเน่ยสภาวะเกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้ศึกษามันนะอันนี้คือหมวดลมหายใจทีนี้มีต่อไปอีกท่านบอกว่าปุณะจะพลังพิฆเวพิขุอันนี้ยจําให้ดีนะปุณะจะพลังพิฆเวพิขุพิสุตรายยังมีอยู่อีกเนี่ยมันมีมันมีอันที่หนึ่งแล้วไหนลมหายใจน่ะมีชอยแล้วทีนี้ ยังมีอยู่อีกนะก็ไม่ใช่ช้อยหละหัวข้ อ, อใหญ่ๆเหมือนกันนะในสติปัฏฐานสูตระนะกายหมดกายยายังมีอยู่อีกคืออะไรล่ะฮะอ้าอาริยบทนะไหมตัวนี้ท่านบอกให้รู้ชัดประชานติให้รู้ชัดชัดยืนเดินนั่งนอนอันนี้นยังมียังมีอยู่อีกคือให้รู้อริยบทชัดๆเนะ่ะถ้ายืนเดินนั่งนอนจะไม่รู้ล่ เดินก็เดินยืนก็ยืนนั่งก็นั่งนอนก็นอนไม่รู้สึกตัวเลยเนะี่ยจะจะไปดูลมหายใจได้ยังไงเพราะอันนี้มันหยาบที่สุดแล้วนะทีนี้ท่านจะบอกว่าปุณณจะพลังพิฆเนศพิฆูยังมีอยู่อีกเห็นไหมอะไรอะไรทีนี้อริยบทย่อยเนี่ยเนี่ยที่เราทำอย่างเนี้ยอริยบทย่อยบทย่อยอยังไงล่ะแม้แต่อารโอกิเตวิโลกิเตคู่เหยียดเคลื่อนไหวมองซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่เหยียดเคลื่อนไหวคือคู่เหยียด อาบน้ําน้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะนุ่งเสื้อผ้าให้รู้สึกตัวตัวนี้ท่านใช้คําว่าให้มีปกติทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะไม่ได้รู้ชัดไม่ได้ศึกษาให้มีปกติคือปกติเราสบายสบายปกติมีมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคู่คันเหยียดนะมันต่างกันนะให้มีปกติทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยให้รู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราทําอะไร นะกําลังกินกําลังดืง่มกาลังเคี้ยวกําลังลิ้มกําลังอ่าแลดูมองซ้ายแลขวามีมีในเคเนี้แต่อตามายพยายามหาว่ามีไหมถามพระพระุทธเจ้าบอกให้หลับตาเนี่ยมีไหมอันนี้ขออภัยแต่เป็นความคิดส่วนตัวนะทำไมาไม่ได้ว่าในใครพยายามหาในพระเตยปิดดกมีไหมให้หลับตาเนี่ยถามถามผู้เชี่ยวชาญพระเตยปิดกเลยเอ่ากลุ่มพุทธวัจนะสนทนากันกลุ่มพุทธนะเขาเชี่ยวชาญในพระเตยปิดกใช่ไหม เขาเข้าใน g o กูเกิลในเว็บเขาเนะ่ะอยากรู้อะไรออกมาหมดเลยมีไหมให้หลับตาเนะ่ะไม่มีพออยานแล้วทําไมหลับตาทั้งประเทศอ่ะง่วงมบ้ออคือเป็นการพักผ่อนใอะไรเราก็ดีโลยนะคือให้เรามีสติแล้วค่อยไปทํางนั้นมีสติแล้วเนี่ยไปนั่งสมาธิเนี่ยสบายนะขอให้เรามีสติซะก่อนนะถ้าเป็นทําสมาธิเลยไม่มีสติเนี่ยมันจะเพี้ยนเอาสติซะก่อนค่อยไปทําสมาธิจะได้ เอาวิปัสสนาก่อนค่อยไปทำสมถะมันต้องพ่อว่าเนี่ยถ้ามาทำสมถะแล้วก็เข้าสู่วิปัสสนาเลยเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะบางทีมันติดสถามถะมยกมือไม่ขึ้นแล้วยกขยุ่งยากนั่งสบายดีกว่าอันนี้ก็ธรรมะเคยเป็นบ่อยๆเหมือนกัน น, นั่งไม่ปวดแขนดีนมองนเนี้ยนะทีนี้ข้อนี้คือถามว่ามีไหมเขาบอกว่าไม่มีแล้วมีแล้วมีอะไรล่ะเขาบอกให้วางตาสบายตามที่เขาไปค้นดูในพระไตรปิกให้วางตาสบาย คือก็เลยเออนึกถึงพุทธรูปแต่ละองค์แต่แองค์นะไม่มีองค์ไหนใครสร้างพุทธรูปหลับตาเนี่ยผิดแล้วนะให้มองต่าๆเราไม่ต้องยกมือสร้างหรอไม่ต้องมองไกลหรอกมองต่ําๆมองที่พื้นนะไม่ต้องมองใครมาใครไปให้มองต่ำๆสํารวมสําคัญนะทีนี้ต่อมาอีกอ่าปุญญนนาจักรพลังพิฆเวพิฆุยังมีอยู่อีกมีอะไรอ่ะต่อมาคืออะไรหมวด เอาเอาเอาอริยบทย่อยแล้วเนะ่ะหมดแล้วนะธาตุก็แล้วกันคือเรานั่งไปนั่งมาเนี่ยอ่านั่งไปนั่งมาความคิดมันปรุงแต่งเยอะ ม, มันตกเริ่มวิวจาัยแล้วนะเริ่มวิวจาัยเริ่มวิจัยทําแล้วเนะี่ยคือหมวดแรกที่เกิดขึ้นเลยเนะี่ยในโพชงเกตองคกาตาสุเนี่ยนะคือดอกบัวดอกแรกพุทเจ้าเนะี่ยตมาไปต า, ตามหาดอกบัวพรทธเจ้าไม่มีคนอินเดียเขาไม่มีหรอกนะ มีแต่เราเน่ะดอกบัวดอกแรกคือสติดอกที่สองคือธรรมวิจยะดอกสามคือวิริยะดอกสี่คือปิติดอกห้าคือปัสสติดอกหคือสมาธิดอกเกตคืออุเบกขานี่คืออันนี้คือรอยพระเจ้านั่นแหละเหยียบดอกบัวที่บินบานอนะ่ะพดชงแปลว่าตื่นรู้นะพูดชงเกตอนะเริ่มจากสติก่อนทีนี้ ถ้ามันคิดปรุงแต่ง่ะทำวิทยามันฟง้งสั้นทำวิจัยเนี่ยมันชอบคิดไปนอกคิดเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องที่ไม่ควรคิดให้มาคิดเรื่องนี้ซะคิดเรื่องอะไรในร่างกายเรามีอะไรมีธาตุธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไปคิดอยู่เนี่ยมันไม่คิดออกไปนอกมันคิดข้างในตนถ้าคิดข้างนอกอ่ะฟุ้งสันคิดข้างในคือนวิจัยธรรมะะวิจัยในร่างกายเราความจริงอ่ะมันคิดโยมลองดูนะมันคิดมากๆเอาไม่อยู่ยกมือก็เอาไม่อยู่แล้วก็นั่งคิดดูไล่มา อันนี้ถัดดินนะอันนี้ถัดน้ํานะ น, นี้ไหลนั่งเนี้ยละเอียกว่านั้นอีกคิดให้ละเอียกว่านั้นอีกทาไงคิดเรื่องอาการสามสิบสองนะคิดไปอีกอาการสามสองตั้งแต่ผมขมเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับกระเพือตไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ า, า, า, า, า, า, า, า, ไาไหลไปหมดสามมีแค่สามสองเท่านั้นอนะ่ะนหรือว่าหมอก็ได้เยอะกว่าพุทธเจ้าก็ไม่ก็ไม่รู้นะแต่พุทธเจ้าบอกมีสามสองอาการ ในร่างกายเราเนี่ยนะทีนี้คิดเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดทำมัตสังเวทให้เห็นความจริงท่านเองว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นสด็จตวธาตาุเราอยู่ไหนล่ะเราเพียงแค่สิ่งที่มาอาศัยทนเองน่ะมันไม่มีเราอะ่ะที่จริงมันมีอยู่แต่อย่าไปยึดมั่นว่าเป็นเราหลายคนบอกมันไม่มีเราเนี่ยไม่ใช่นะมันมีตัวตนอยู่แต่มันอย่าไปยึดมั่นว่าเป็นตัวตนของเราทนเองแล้วมันมีอยู่สารนั่คือตัวตนอะ่ะสารนัคือสิ่งที่มีอะ่ะใช่ไหม จับต้องได้คือสิ่งที่มีที่เป็นอยู่แต่ว่าอจะไปยึดมั่นถ้าใครไปยึดมั่นก็ทุกข์เพราะมันไม่ยึดมั่นก็ปล่อยวางได้เพราะมันไม่ใช่เรานะไม่ใช่ทีนี้อาการสามสองแล้วยังมีอยู่อีกปุณละจับพลังพิฆเวพิฆูยังมีอยู่อี ก, ก, ออกสุดท้ายคือฮะให้คิด่อสุดท้ายคือป่าช้าทั้งเก่าเห็นไหมป่าช้าทั้งเก่ามัดอยากคิดก็คิดจนะ้ะคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องโอ้เห็ุที่นึกถึงคนตาย คนตายแล้วเนี่ยตายแล้ววันหนึ่งสองวันเริ่มอืดเริ่มน้องเริ่มเปื่อยเริ่มเนา่าแข้งขาไปทางกระดูกไปทางกระเดงกระดานถูกสา์ถูกอะไรกินแทะลมนึกถึงทวนไปทวนมาอยู่เนี้ยทําไมต้องให้นึกถึงอย่างเงี้ยให้เราเกิดความเบื่อหน่ายในตนเองนะว่าจะต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องเป็นแน่นอนนะจะต้องเป็นแน่นอนจะมาวันไหนเมื่อไหร่ ย, ยังไงทั่นเองนะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่เรามันมีอยู่ในพระไตรเปโตรที่เราทําอยู่เนี้ยนะเพียงแค่เรา มาลืมตาอีกวิธีการหนึ่งนะไม่ใช่สายนะนะวิธีการหนึ่งให้ลืมตาแล้วก็ทำให้ชัดๆถ้าเหนื่อยก็พักก่อนบ้างได้นะแต่ว่าอย่าหลับตัวเองทำต่ออีกทำเร่งๆเป็นเทียนแล้วก็เวลาทำก็พยายามจำกำจำกัดอินรีกําจัดสายตาเราอย่าให้มองไปไกลมากให้มองเฉพาะที่มองที่ใดที่หนึ่งมองใกล้ๆถ้ามองไปไกลมันฟูงซ่านมันก็ไปนู่น่ะ สายตาเราโอ้ยยืนตรงนี้ทาตรงนี้ได้อารมณ์ดีแล้วเกินมองไปไกลๆเขาเรียกว่ามันปล่อยมันปล่อยมันผ่อนคลายรีแรกเฉยมันไม่ได้อะไรอะนะฉะนั้นวันนี้กนะ็เกินเวลามา15นาทีก็ขออภัยนะเพราะว่านะหลายคนถ้าบอกว่า10ก็คือ 10, 20, 20คือ20ถ้าเกินแล้วก็เริ่มหมั่นใส่ผ้าอะไรจะลงมองนั่น น, นะก็ขออภัยถ้ามีโอกาส นะก็จะได้ลงลึกกว่านี้อีกให้ฟังตอนนี้ก็เอาหลายๆเรื่องเพราะอะไรให้เราได้ข้อคิดให้เราได้มีกําลังใจถ้ามีกําลังใจแล้วเราจรึงจะทําเห็นแนวทางเพราะวิธีการพุทธคือเราต้องทําให้ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาสุดท้ายคือให้ได้ปัญญานะจึงจะพ้นทุกข์ได้สติสมาธิก็ยังไม่พ้นทุกข์ต้องได้ปัญญาเท่านั้นนะจึงจะพ้นทุกข์คึงจะปล่อยวางนะไม่มีตัวไม่มีตนเราได้นะแล้วก็ ที่จะมาพูดไว้เนี่ยเรามาปลุกเสกตนเองน่ะหนึ่งปลุกสติขึ้นมานี่ปลุกเสก ต, ตัวเองจริงๆนะเนี่ยปลุกสติขึ้นมาตื่นรู้อ่ะนะแล้วก็เสกอะไรเสกไปว่าศึกษาแต่เราไปใช้ผิดโหมดเลยเสกเนี่ยแปลว่าศึกษาศึกษาคือตื่นปลุกสติมาตื่นศึกษาศึกษาศีลสมาธิปัญญาศึกษาตนเองศึกษากายศึกษใจตนเองเนี่ยนะว่ามันทุกข์แค่ไหนถ้าเรารู้ รู้ขนาดไหนถึงบอกว่าทุกข์อะโยมถึงจะรู้ขนาดไหนจริงๆเห็นรูปนามทุกขนาดไหนจริงๆเห็นรูปนามถ้าถามพาต ม, มานะตามที่ปฏิบัติมาเนี่ยทุกเห็นทุกขนาดขนา ด, นาดกระพริบตาก็อย่างทุกข์อ่ะโอ้มันคือเราทําไมถึงกระพริบตาเพราะทุกข์มันบังคับนะทุกข์มันบังคับนะลืมตาได้ลืมตาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ น, น้ําตาออกแล้วทุกมันทุกข์แล้วนั่นแหะ ทุกบังคับต้องลืมตาเพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาแล้วทำไมนั่งอยู่ดีทำไมทำไมต้องเคลื่อน ม, มือมาหยิบน้ำมาดื่มเพราะอะไรฮะเพราะหิวโอ้ยก็พูดให้ <c oughs> เพราะทุกมันบังคับว่าหิวแล้วจะต้องจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วหิวแล้วทุกมันบังคับเรานเนี่ยทำไมเราต้องใส่เสื้อผ้า ทุกมันบังคับน่ะคุณเดินไม่ได้สักคมเขาใส่คุณไม่อายเขาแล้วเนี่ยจะใส่ชุดมันเกิดอยู่ไม่ได้ต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ปกปิดเนี่ยเขาเรียกว่าทุกเราทําทุกอย่างทุกมันบังคับหมดรู้แล้วโอ้เป็นทุกขนาดนี้เลยเลยทุกจนสลดใจอ่ะทุกจนปล่อยวางโอ้ว่ามันทุกขนาดนี้เลยเลยเนี่ยทีนี้ย้อนไปถึงหลวงพ่เทียนนิดหนึ่งหลวงพ่เทียนท่านบอกว่ามันทุกขนาดไหนท่านเห็นทุกจึงจึงจะวางบุหรี่ได้ท่านสูบบุหรี่จากแรกก่อน ซองต่อซองเขาเรียกว่าแต่ก่อนใช้ใบใบไม้มาม้วนเอาอะไม่มีแล้วก็ไฟก็เป็นไม้ฉีดอะไม้ขีดขีดเนี่ยอ่ทีนี้ท่านทุกขนาดไหนท่านบอกว่ามันอยากจะสูบบุหรี่คือเราต้องต้องคุยกับตัวเองให้ได้ระหว่างไอ้ตัวเรากับสติคุยกับตัวเองให้ได้ออยากสูบก็สูบซิใช่ไหมมันก็บอกว่าสูบไปได้แล้วถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เอามือไปหยิบถ้าก็เอามือไปหยิบ อาหยิบแล้วเนี่ยสูบซิสูบไม่ได้มันก็บอกอีกอ่ะทำไม่ม้วนเอากรม้วนเอายาใส่ม้วนม้วนม้วนแล้วเอาสูบซิคือบอกมัน่ะอยากสูบก็สูบสิสูบไม่ได้แล้วทํำไมเอามือมาเอามวนเอายามาใส่ปากนะเอามาใส่ไว้อปสูบมันก็บอกสูบไม่ได้ถ้าเอาไฟไม่เอาไฟติดอ่ะก็เอาจับไม่ขีนมาเอาจุดซิเนี่ยจุดไม่ได้แล้วทําไมทำไมออกจากกล่องเอาออก มันก็บอก อ, อาออกไปได้ถ้าไม่เอาสมมือนั้นมาช่วยขนาดมือเดียวก็ังช่วยไม่ช่วยไม่ได้ต้องมือนั้มาช่วยอเอาให้แล้วเหน็บไว้เอาฉีดเอาฉีดไม่ได้ถ้าไม่เอามือฉีดให้เอาฉีดแกเห็นขนาดนั้นเหลี่ยงโอ้มันทุกข์ขนาดนี้นเรายังสูบอยู่เรอ่ะคือเคลื่อนแต่ละอย่างมันทุกเรียบหมมันทุกบมดนะทุกบังคับอ่ะทุกคือสภาพที่ทนได้ยากไม่ใช่ทนไม่ได้นะ <c oughs> สภาพที่ทนได้ยากนะ มันทุกข์ขนาดเราก็ยังไปทําไปกินตามมันเห็นทุกข์ขนาดละเอียดขนาดนั้นจึงจะปล่อยวางจึงจะรู้ว่าชีวิตเรามันทุกข์จริงๆเราทุกข์จะมามานึกถึงโอ้ยเรานึกถึงตัวนี้ปั๊บแล้วเนี่ยถึงกระพริบตาเขายังทุกข์หายใจก็ทุกข์อ่ะทุกข์มันบังคับให้เราหายใจเพื่ออยู่รอดนะมาอยูออยอ่เฉยๆไม่ได้เลยไม่ต้องหายใจนิ่งๆเฉยๆเนะี่ยมันน่าจะมีความสุขนะแต่ไม่ได้มันบังคับให้เราต้องหายใจต้องต้องเคลื่อนต้องไหวทุกข์มันบังคับหมดอะ่ะ ะทีนี้ก็เลยทำไมเห็นอย่างนี้แล้วโอ้ขนาดเราทุกข์ขนาดนี้มันมันเริ่มปล่อยวางได้แล้วเห็นทุกข์นั้นถ้าเราไปเอาคนอื่นมาในชีวิตเราแหละทีนี้ตอนนั้นก็ยังตอนนั้นก็เรียกว่าอ่าเปิดเผยหนึ่งก็ยังมั่นอยู่นะมั่นก็แฟนไว้ถ้าเราไปเอาคนอื่นมาเข้าชีวิตเราแล้วจะทุกข์อีกขนาดไหนเราพังตัวเองก็ยังทุกข์ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่เอาหัวมันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ปล่อยวางขนาดนั้ น, น, นเลยนะก็เลย ออกภาษาแล้วเข้าป่าเลยจนหนูเนี่ยติดตามหลพ่อได้เรียนกันกลับไปเข้าภาษาทีหนึ่งเขาก็ก็บอกก็ขออยู่อย่างเงี้ยก็มีก็ใช้ไงอะผู้ชายวิธีการบอกเรื่องผู้หญิงอะอ้ยอาตมาคงยังไม่ดีพอหรอกนะ <c oughs> ถ้าไม่ดีพอไปเป็นพ่อก็พ่อไม่ดีถ้าเป็นสามีก็สามีไม่ดี มันยังควบคุมตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้มันอาจจะไปกินเหล้าอาจจะไปเที่ยวไปทําอะไรไม่ดีหาคนอื่นที่เขาดีกว่าเนี่ยปฏิเสธแบบวิธีการปฏิเสธนะเคยปฏิเสธไหมนะเคยเรียินนะใช้ได้นะใช่แล<ช>้วจากนั้นก็นอโหสิกรร ม, มแมลงต่างบมก็เท่าป่านนี้และ้ะอันนี้คือเห็นขนาดนั้นมันถึงมันจึงปล่อยนะถ้าอย่งงางนั้นไม่ได้หรอวันหนึ่งวันหนึ่งเลยทุกวินาทีนะไม่นึกไม่นึ ก, นกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงแต่เขาอะ นะแต่พอเห็นทุกข์แล้วเนี่ยความคิดมันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะความคิดสุขเพราะความคิดฉะนั้นเราไม่เอาทาั้งเราไม่ต้องเอาความทุกข์กับสุขละเอาอะไรที่มันอยู่เฉยๆได้ฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมเจริญสติมันเห็นตรงนั้นนะ่ะแล้วเห็นสติเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนสมาธิสมาธินี่เสื่อมได้แต่สตินี่เสื่อมไม่ได้ไม่เสื่อมตั้งแต่เรามีตั้งแต่วันไหนก็วันนั้นก็ยังรู้สึกว่ากําหนดรู้มาแล้วก็ชัดเจนนะชัดเจนนั่ง อยู่เฉยๆไม่คิดก็ได้นั่งเฉยๆไม่เชื่อเลยคำว่าไม่คิดต้องมีหลักอยู่คือรู้สึกตัวจะอยู่เฉยๆไม่ได้เรากม่ต้องเช็ดเอาจิตมันทางานแต่ต้องมีหลักให้จิตอยู่คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่เรามาปลุกเสกตนเองให้เห็นทุกมาศึกษาศึกษาว่ากายที่จริงแล้วเนี่ยอาตมาเข้าใจเข้าใจบทหนึ่งคือวันนั้นขอเก็บอารมณ์ที่เข้าใจนะ อเดินจูกรมอยู่ในป่าคนเดียวเนอะเด้อยูกรมอยู่ไ ม, ไม่ไม่ขึ้นทรรวัดกับเพื่อนก็เขาสวดออกไมโครโฟนพาราหาเวปัญจักขันธาขันทั้งเป็นของหนักเดอ้อโอ้โหยมันเหมือนกับมันต่อยเราเลยอ่ะมันถูกหมดเลยอ่ะขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในเนี่ยรูปเรามีห้าใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีห้าตอนนัญญ้นมนุษย์เราเป็นของหนักเดอ้อ หนักเนื้อเป็นของหนักแต่เราไม่รู้ว่ามันหนักอ่ะหนักยังไงละ่ะโยมกินมากไม่ถ่ายได้ไหยตายเลยนะไม่ขี้ไม่เยี่ยวก็ไม่ได้ไม่อาบน้ําได้ไหมไม่ได้เราต้องบริหารต้องดูแลมันเลยเฉพาะรูปอย่างเดียวนะเวทนาสุขทุ ก, ทกทเฉยๆอีกนะเราต้องมันหนักอ่ะเห็นความหนักของมันภาลาพาลาธานังทุกขังโลเกการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพาลานิเคปันังสุ ข, ขังการ สลักของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนะและบุคคลเป็นผู้แบกของหนักพาไปทุกคนแบกของหนักพาไปหมดเลยเอันนี้ยตมาคิดได้อย่างนี้นี่ยโอ๊โเราแบกดูลาําพังดูตัวเองพอแล้วล่ะชาติเนี้ยเปร่ยวคนอื่นมาก็เป็นสิบขันใช่มหมยมมี ย, ม, ย, ม, ย ม, มีกี่ขันแล้วเนะอยสมมติถมมีมีภรรยายกี่คนเออไม่ใช่มีภรรยายหนึ่งคนนะแล้วมีบุตรกี่คนสองกี่ขัน สามสิบไม่รับตัวเองเลยนะเน่ะเอ อ, อย่าลืมตัวเองนี่ยลืมตนอยู่เรื่อยเลยเนี่ยนะนะเป็นสี่สิบขัน เ, ออเป็นยี่สิบขันหนักไหมเออหนักตมาไม่หนักนะช่างหัวมันเอนะรู้ตัวเองอย่างเดียวอะ่ะไม่มีลูกอะ่ะไม่มีภรรยานะมีแต่แม่แม่ก็เฉพาะแม่อย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้แบกท่านชาไปแล้วหรอ <c oughs> เออกว่าจะรู้ก่อน วัดบินไปแล้วนะก็ไม่ไม่ช้าหรอกพระเจ้าท่า น, ก, นนะก็เหมือนกันน่ะเหมือนกันโมดคือเรามีแล้วอย่าไปทิ้งรักษาให้ดีแต่ทํายังไงให้เขาเข้าสู่ธรรมได้นะคือสิ่งที่ประเสริฐสุดเหมือนหลวงพเทียนท่านก็หลวงพเทียนท่านมีเยอะกว่าโยมเลยนะหลวงพ่เทียนท่านมีแล้วก็มีภรรยาแล้วมีลูกอีกสามสี่คนนูวยนะมีบุตรอะหลวงพ่เทียนเนี่ยแล้วท่านบวชตอนไหนอายุหกสิบน่าจะหกห้สิกว่าเกือบหกสิบแล้วท่านท่านบวชสมบัติ นะทำไงทีเนี้ยท่านก็ไม่ได้ทิ้งภรรยาทิ้งลูกนะท่านก็นมาสอนภรรยาสอนลูกจนภรรยาได้เข้าใจธรรมะของแก่ด้วยนะสอนพี่สอนน้องสอนขณะที่เป็นโยมนะไม่ได้สอนไม่ได้เป็นพระไปสอนนะเป็นคารว่ายู่สองปีไปสอนภรรยานอนคุยกันในมุ้งนั่นแหละมาพูดเองนะอย่ไปเสี้ยนธตมานั่นแนละคกจินตนาการธรรมาไม่ได้นะคืออ่า คือท่านหลังจากท่านเข้าใจแล้วท่านมาสร้างสำนักท่านอยู่ตรงหากแล้วก็สร้างเป็นโยมนะแล้วก็บ้านก็ไปก็อาศัยเงินที่บ้านมาดูแลแล้วก็จ้างคนาปฏิบัติธรรมเนี้ยแล้วก็พยายามเอาภรรย า, ยาเอาลูกมาปฏิบัติธรรมเอาพี่น้องมาปฏิบัติธรรมจ้างคนมาปฏิบัติธรรมนี่คือหลวงพ่อเทียนแปลว่ายังไม่สายใช่ไหมนอกจากโยมจะทําไม่สายเองนะไม่ไม่สายหรอกชีวิตนี้แล้วท่านก็เอาชีวิต เนี่ยก็เห็นเห็นทุกขนาดนั้นันริงจะอยู่ได้ไม่ใช่ไม่ชอบนะเห็นผู้หญิงก็ชอบเหมือนกันเน่ะแต่ว่าโอ้นั่นนั่นคือก่อนทุกหนึ่งคือมันมันก็มีความชอบเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นปั๊บมันไม่อยากจะเสี่ยงไงเออชีวิตนี้ไม่เสี่ยงแล้วเนี้ยมันก็มีรู้สึกบ้างแต่มันไม่อยากจะเสี่ยงเพราะอะไรเพราะเห็นว่าจะต้องมาอ่าอันนี้ก็ห้าขันแล้วมาอีกไม่รู้กี่ขันจะตามมาขยันหน่อยก็หลายขันใช่ไหมอ่แบกอะไรเนี้ยแบกอย่างเดียวไม่พอ หามมดกให้เขาทีเนี้ยหาให้น้อยมันก็ดา่าองเอาไม่พอกินก็จะว่าเอาสแสวงหาหาไม่ถูกไม่พอมันก็จะการสแสวงหานี่สำคัญคือสแสวงหาโดยสุดจุริตหายากใช่ไหมจะต้องต้องแข่งแย่งต้องแข่งดีต้องเบียดเบียนผู้อื่นบ้างจะมาเห็นอย่างนั้นแล้วสลดใจเลยโอ้ยเดี๋ยวเราก็ตายแล้วขอใช้คาว่างไงล่ะ ขอตายคนเดียวดีกว่าไม่ต้องมีใครมาโอ้ยเธอจากฉันจะไปเร็วเหลือเกินไม่ต้องมีใครมาร้องไห้ด้วยครับร่างกายก็บริจากระโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วทั้งสองที่บริตายที่เมืองไทยก็บริจาคให้โรงพยาบาลศรีนครินตายที่อเมริกาก็บริจาคให้อเมริกาแล้วตายที่ไหนจะบริจาคที่นั่นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องห่วงอะไรนี่คือเห็นทุกข์ทำให้เห็นทุกข์มันจึงจะวางได้มันจึงจะสลดใจสุดท้ายเหมือนกับพระทุกขรูป ในในธรรมบทที่แปลทุกรูปหลังจากจะบรรลุธรรมเนี่ยเป็นผู้มีธรรมสังเบโคลคือความสลดใจเมื่อเมื่อเกิดความสลดใจแล้วเนี่ยก็ขายกำหนัดใช่ไหมยมเคยแปลใช่ไลองอ่านนะในในในอ่านประวัติขอพระทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ใช่พระไทยนะหมถึงพระในธรรมบทในพระอรหันตรสาวกของพระเจ้าทุกรูปจะเข้าใจธรรมะเนี่ยทําอะไรก็แล้วแต่ล่ะเกิดความสลดใจปั๊บ พอสลดใจแล้วก็สังเวชแล้วก็จิตก็ขายกำหนัดกำหนัดคือความยึดมัน่นถือมั่นความกำหนัดในสิ่งนั้นอะน่ะนะพอกำหนัดแล้วก็ไม่มีราคะไม่มีราคะไม่มีราค า, า, ค า, า, คาก็หมดราคานะขายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นพอจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วนั่นเองนี่คืออ่าสุดท้ายของแต่โลกแต่ละองค์นะเอาละฉะนั้นวันนี้ก็ขอบรรยายนะให้กำลังใจแก่ญาติโยมขอทัชทั้งหลายจง ต้องตั้งใจว่าถ้าทําจริงๆเนี่ยรู้จริงๆวิธีการเนี้ยรู้ง่ายด้วยปฏิบัติบรรดาที่จะมาปฏิบัติมาเนี่ยง่ายที่สุดนั่งอย่างนี้ก็ได้วิธีการอื่นเขาว่า ว, าวนั่ง น, นั่งอย่างเงี้ยนะบางทียืนก็ได้เหยียดขาก็ได้ได้ทุกท่าขอให้มีสตินี่คือวิธีการหลวงพ่อเทียง่ายที่สุดสําหรับเราวิธีอื่นการอื่นก็ดีหมดอ่ะนะแต่ว่าอันนี้สําหรับง่ายสําหรับพวกเราท่านเอง ฉะนั้นขอให้เรามั่นใจว่าครูบาอาจารย์ที่ทํามาหรือตัวอย่างหลายคนที่ทํามาเนี่ยทําจริงเห็นจริงแล้วก็พ้นทุกขไม่มากก็น้อยนะขอให้เรามีสติและทุกคนหมดเองถ้ามีสติแล้ว่ะก็ยังอยู่นะฉะนั้นก็ขอให้เราขออ้างอิงเอาคุณของพุทธวัฒนธรรมสงฆ์นะที่ท่านตรัสไม่ดีแล้วทําที่ท่านเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วแล้วก็พระสงค์ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลายท่านหลายคนอริยสง คั้งตั้งแต่การผู้ปรกาศจนถึงปัจจุบันเราก็เห็นว่าท่านนะพ้นทุก์ได้จริงถ้าเราทําตามก็พ้นทุกได้จริงไม่มีหญิงไม่มีชายธรรมะเจริญไม่เรียกหญิงเรียกชายนะไม่มีอันนี้มีแต่แก่หรือหนุ่มทั้นเองถ้าหนุ่มก็ทําได้เยอะหน่อยถ้าแก่ก็ลําบากก็ต้องใช้ความเพียรพยายามให้เร็วขึ้นนะจากนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงเมื่อศรัทธาแล้วก็ขอมีวิริยะนะแล้วก็ธรรมะท่านทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นไตรตรอง แล้วก็จงได้พ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน